13. กูลทูสกะสิกขาบทภิกษุประทุษร้ายตระกูลถูกสงสวดสมนุภาพครบสามครั้งก็ยังไม่สละต้องอาบัตสาอย่างคือ 1. จบยั ต, ติต้องอาบัตทุกกฎ 2. จบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลใจสามจบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังขารทิเศษ สังคาทิเศษส3บาสิกขาบทจบ